เรื่องทรงอนุญาตให้ยืมเสนาสนะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายยำเกรงที่จะนำเสนาสนะเครื่องใช้สอยไปโรงอุโบสถบ้างที่ประชุมบ้าง